อตั้งแต่เดิมตั้งแต่เราคิดคิดที่จะปฏิบัติธรรมในลำดับเพราว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ตอนนั้นเกิดการดำดิบแล้วพอดำดิบแล้วก็หาวิธีการต่างๆว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เพื่อให้รู้อะไรแต่เป้าหมายคื่อพ้นทุกข์นะแต่ ว, ว่า วิธีการวิธีการทําอย่างไรแล้วคําว่าค้นพบอย่างที่นเชิมเนี่ยมันถึงที่มันตรงไหนมันถึงยังไงก็หมายความว่าเป็นการคือเขาเรียกว่ามันดูไม่ออกเลยว่าเราจะเริ่มต้นตรงไห น, นกว้างไปหมดเลยกวาย้างใหญ่ไพศาลไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีจนกระทั่งเราก็พบครูบาอาจารย์พบกัลยานามิตร บอกทางให้พวกเราก็าคือว่าหนทางในการปฏิบัติเพื่อความสุข อ, อาจจะเลือกเป็นมัคคิลงแปดก็ได้แต่การเรียนนั้มีมองค์แปดเนี่ยมันเป็นเชิงเป็นหัวข้อเป็นทฤษฎีแล้วจะปฏิบัติยังไงเขาก็บอกว่าปฏิบัติด้วยการใจสิกข า, ข า, ขาก็คือศีลสิกขาติตติกขาแล้วก็ปัญญาติกขา ก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ไม่รู้อีกอยู่ดีว่าศีลสิกขาเป็นยังไงจิตติสิกขาเป็นยังไงปัญญาสิกขาไม่รู้ยังไงไม่รู้แต่ก็ต้องฟังครูบาอาจารย์เรื่อยๆเชิญกระทํางครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหนทางเพื่อให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็คือสติปัฏฐานสี่เริ่มสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสปฏิบัติปฏิบัติยังไงอีกเขาบอกให้รู้กาย จุดนห้มีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมฐานที่ตั้งแห่งสติมีสี่ฐานคือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐา น, าานธรรมเข้าใจมาตามลําดับนะแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกอีกลู่กาย ห, าาหัดูเวทนาหัดูจิตหัดรู้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจมาตามลําดับปฏนะิบัติมาเรื่อยๆก็เรีน ร, รู้จักว่าอ๋อ รู้กายเป็นอย่างนี้รู้เวทนาเป็นอย่างนี้รู้จิตเป็นอย่างนี้รู้ธรรมะเป็นอย่างนี้มันก็มีความแจ้งไปเรื่อยๆอย่างน่ะทีนี้สุดท้ายเอาหลักสมมติเรามาอยู่ที่นี่กันเราก็จะเะดินสติปัญฐาสี่นั่นแหละก็คือแค่เอากายมาเป็นที่ตั้งของสติก่อนเช่นกายเคลื่อนไหวเรามาอยู่กับการเดินการ การ น, นั่งการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่เราเอาฐานกายเป็นเป็นฐานหลักในเบื้องต้นทีนี้ฐานกายก็อ่าคนใหม่ทีก็คือเรื่องของการระลึกรู้ของกายที่มีอยู่กายในกายนะในกายมีอะไรบ้างในกายก็มีพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว ประมาณนี้นี่คือกายมีสติรู้อยู่ในกายกายในกายกายในกายในกายเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนี่ในกายรู้กายในกายก็รู้รู้เย็นก็ได้รู้ตึงก็ได้รู้ไหวก็ได้รู้หย่อนก็ได้รู้ร้อนรู้เย็นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืหอหลายๆอย่างอันนี้ก็เรียกว่ารู้กายในกาย ทีนี้ฐานเวทนาเวทนามันมีมันมีทั้งในส่วนกายแล้วก็ส่วน จ, จิตใจเวทนาของกาอของกายก็คือความไม่สบายกายนะแล้วก็ความสบายกายก็คงมีสองตัวอันะนี้เวทนาในกายเวทนาในจิตก็คือความรู้สึกเป็นทุกข์ทางจิตความรู้สึกเป็นสุขทางจิตแล้วก็ความรู้สึก เฉยๆมีสามอย่างพอบอกว่ารู้เวทนาในเวทนาก็เวทนาในเวทนาเนี่ยมันมีเยอะกอมีในอย่างที่บอกแล้วในกายมีไม่สบายกายสบายกายนี่ในในเวทนานะสองแล้วในเวทนาจิตความดุความทุกข์ความเฉยเฉยครับถ้าพูดอย่างนี้ประมาณห้าตัว รู้เวทนาในเวทนาก็คือไปรู้ความสบายของกายก็ได้รู้ความสุขในจิตก็ได้รู้ความทุกข์ในจิตก็ได้รู้ความไม่สบายในกายก็ได้รู้เฉยๆในจิตก็ได้หรือรู้ทั้งหมดก็ได้ก็รีกรู้เวทนาในเวทนานีรู้จิตรู้จิตในจิตจิตก็คืออารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิต เราก็คุยกันแล้วจิตมันเดิมๆมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรเป็นจิตวางเปล่าต่อมามันก็เกิดในจิตอารมณ์มันอะไรต่างๆที่เกิดในจิตความคิดความนึกความเอ่อความโกรธความรักความชังความเอ่อความอะไรแล้วแต่นี่เป็นอารมณ์ในจิตคือเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เกิดในกายจึงเป็นเป็นอารมณ์ในจิต รู้จิตในจิตก็คือไปรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในจิตซึ่งมีมากมายมหาศาลจะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งหลายหลายอย่างก็ได้ส่วนธรรมะรู้ธรรมรู้ธรรมในธรรมกายก็เป็นธรรมะเวทนาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะการที่รู้ทั้งเวเการที่รู้ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต แล้วก็เห็นการเกิดขึ้นนะของสภาวะธรรมในกายมีการเกิดขึ้น ม, ossing, ม, ああมีการตั้งอยู่มีการดับไปสภาวะธรรมในเวทนามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่มีการดับไปสภาวะธรรมในจิตมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเวทนาจิตนะแล้วก็จะก็เรียกว่า มีสติรู้ธรรมะนะเจอเห็นความไม่เที่ยงมีความเป็นใจรักของกายเวทนาจิตแล้วก็อันนี้เป็นฐานที่ตั้งของธรรมทีนี้ธรรมะรู้ธรรมะเนี่ยฐานที่ตั้งของธรรมะมากมายมหาศาลชฉพนแล้วแต่ใครจะมีปัญญาไปรู้เห็นแม้กระทั่งการรู้อริยสัจก็เห็นธรรมะรู้ทุกข์เหตแห่งทุก ควาดับทุกข์แล้วก็หนทางการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อันนี้ก็เป็นการเห็นธรรมะตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเราเห็นธรรมะนี่แหละก็คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เห็นนี้มันก็บางอย่างก็เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเห็นธรรมรู้ธรรมก็จะไปเห็นบางสิ่งบางอย่างคือมีความเสียงไ่เกิดไม่หยัก ก็จะเห็นรู้แจ้งรู้แจ้งขั้นัานขันธรรมุสังขารอันนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะนั้นการที่เรามีสติปักฐานสี่นะถ้าเราทํากันอย่างถูกต้องเราก็จะเห็นธรรมะอันนี้คือท่านสูงสุดทีนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เราจะตลกแบบง่ายๆจากที่เราเคยไม่รู้ว่าปฏิบททัติธรรมปฏิบัติอย่างไร โอเขกว้างขวางตอนนี้ย่นมาแล้วก็คือสติตประธานทีนี้ถ้าย่นมาให้ตั้ง น, นะอันนี้อาตจมาย่อนย่นเองนะลงไปทิ่เจรนาด้วยกันว่ามันใช้ได้เรารู้เพียงหนึ่งเดียวรู้เพียงหนึ่งเดียวรู้เพียงแค่ขณะเดียวที่กําลังปรากฏขึ้นเรียกว่ารู้หนึ่งเดียวนิด อาจมาตั้งเชื่อเองนะรู้เพียงหนึ่งเดียวคือรู้จิตขณะเดียวหรืออาจจะเรียกว่ารู้จิตหนึ่งก็ได้ไม่รู้ว่าจะตรงกับจิตหนึ่งของครบาอาจารหรือเปล่า <Okay. S 1> อ่าทีนี้เดี๋ยวจะขายายความก็คือว่ารู้เพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตรู้ไม่ใช่เรารู้รู้อย่างไรเราก็สาธิตกันแล้วเช่นเอามือไปตีหน้าผาทีครั้งหนึ่งเราลองตีดูนี่ ที่ที่รู้เนี่ยจิตที่เรียกว่าจิตพุท ธ, ธะหรือจิตตื่นเนี่ยนี่แหละเขาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารับรู้อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งเดียวไม่ใช่เรารู้แต่เป็นมันรู้โดยธรรมชาติเราไม่ต้องใส่เราหรอกมันรู้ได้เป็นการรู้ของจิตจิตหนึ่งรู้เสร็จแล้วจิตหนึ่งก็ต้องดับไปจิตหนึ่งรู้อะไร จิตหนึ่งก็รู้สิ่งที่เขาไปรู้สิ่งถูกรู้จะตั้งชื่อเป็นบัญญัติก็แล้วแต่นะเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นสัมผัสเป็นอะไรก็ช่างหัวมันแต่ว่ามีการรู้รู้กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มากระทบจิตจึงเป็นการรู้ขึ้นมาเมื่อจิตไปรู้กับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์อมของจิตหรือถ้าเรียกอีกอันหนึ่งจิตเป็น เป็นนามสิ่งถูกรู้เป็นรูปมันจึงเป็นรูปนามแต่ยังไงก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นทั้งรูปทั้งนามมันก็ดับไปทั้งคู่เราไม่ต้องละอะไรเลยไม่ต้องละอะไรเลยมันเกิดแล้วก็ดับไปเองแล้วมันก็คือมันมันก็คือสมบูรณ์ัญญาเขาเรียกว่าเป็นจิตรู้ก็ได้เป็นจิตก็ได้เป็นพุทธะก็ได้แล้วแต่จะตั้งชื่อ เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเมื่อมันดับไปมันก็หมดไปสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าทุกข์หมายถึงว่าทั้งรูปทั้งนามเนี่ยนะหรือทั้งทั้งจิตกับสิ่งที่บุกรู้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์เพราะมีการเกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็ต้องดับไปเองโดยธรรมชาติมันจึงถึงที่สุดแห่งทุกข์ ก็คือไม่เหลือพุกเขาเรียกว่ามันดับไม่เหลือนะเมื่อมันดับไม่เหลือที่สรดแห่งปุ๊บมันก็เป็นนิโรธอยู่แล้วเพราะในขณะที่จิตหนึ่งเกิดมันไม่มีกิเลสไม่มีสัณหาอุปท า, านใดๆมันเป็นแค่ปุ๊บเกิดขึ้นแล้ ว, วก็ทุบดับไปไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะปฏิบัติให้เราเห็นจิตหนึ่ง รับรู้อะไรให้มันรับรู้แบบเป็นจิตหนึ่งนะเช่นรับหูทางหูก็เป็นรับครู้เป็นแค่ขณะขณะเป็นจิตหนึ่งตาตาเห็นอะไรก็ให้เห็นเป็นให้ตาเนี่ยเรียกว่ารับหมองรับรู้การเห็นเป็นขณะเป็นเป็นหนึ่งเดียวจมูกรู้กลิ่นก็เป็นหนึ่งลิ่นได้รัก็หนึ่งกายรับสัมผัสก็เป็นหนึ่งหนึ่งขณะหนึ่งขณะ ที่รับรู้อารมณ์โดยธรรมชาติก็มันก็รู้เป็นหนึ่งขณะเป็นขะวิธีปฏิบัติของเราถ้าเราเห็นตรงนี้ได้การเห็นนี่คือปัญญาญาณเข้าไปเห็นการรับรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นขณะขณะขณะตรงนี้แล้วเราจะไม่มีทุกข์ใจใจเพราะเราไม่มีมีแค่ธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปนะอันนี้สิ่งที่ตรวจเห่งทุกข์ก็คือทุกข์ กิขึ้นทุกคั้งอยู่ทุกจับุรไม่มีผู้เฉลยพุกจบอย่างสิ้นเชิงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทบสวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ารู้แบบไหนถึงว่ารู้แบบเป็นหนึ่งขณะรู้เป็นแค่หนึ่งโดยที่ไม่ต้องรู้อะไรมากในตอนนั้นเช่นโยมลองฟังเสียงมันจะเป็นหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นหยุดแล้วก็เป็นหนึ่ง เป็นขณะเป็นขณะให้มันขาดตอนฟังเสียงอาจะมาก็ได้อาจะมาพูดอะไรไปมันก็เป็นหนึ่งขณะแล้วเว้นนิดหนึ่งแก็เป็นหนึ่งขณะเว้นนิดเป็นหนึ่งขณะเช่นนี้ให้เราเห็นอย่างนี้ให้ชำนาญจิตจะไม่มีการยืดเลยเพราะว่าหนึ่งเนี้ยมันจะต้องถูกดับไปดักเสร็จหนึ่งไอ้ตัวที่สองก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหนึ่งตัวที่สาม เกแล้วก็ดับไปมันจะดับเรียงหน้าไปเลยอะไรเกิดก็ดับตับดับดับนะเห็นไหมอัตมาพูดพูดเปล่งเสียงออกมาเป็นคำคำพูดเอาใายเรียงอิสิ